ที่จริงรายการสำคัญนะก็ผ่านไปแล้วนะคือรายการมืครู่นี้เห็นะ <c oughs> hn, สีหน้าของพวกเราแล้วนี่รู้สึกว่าเปลี่ยนได้วยไฟคงอยากจะกลับบ้านเพื <c oughs> ่อที่จะได้ไปทำสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาแล้วก็ที่ได้รับแรงบันดาลใจนะ <c oughs> เพราะว่าเ <c oughs> ชื่อว่าหลายคนที่มาในช่วง 3-4 สวันนี้เราก็ได้ฟังเรื่องราวของเพื่อน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 เราได้พูดถึงความสำเร็จเราได้พูดถึงสิ่งที่เราภาคภูมิใจเราได้พูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็เราได้เมื่อการมาไคร้กลวนวิเคราะห์ว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะสิ่งที่คำที่เราได้พูดกันมากนะก็คือคำว่าการเรียนรู้อาจจะลองจากคาว่าสุขแท้ด้วยปัญญา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 ไม่น้อยกับความสำเร็จเราสามารถเรียนรู้จากคำตำหนิไม่ได้ไม่น้อยกว่าคำชมความล้มเหลวความเจ็บป่วยก็สามารถจะเป็นบทเรียนให้แก่เราได้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยทุกขณะคือการเรียนรู้นะและอาจารย์ชั่าอาตมาอยากจะให้พวกเราเนี่ยได้นำเอา เอาหลักการนี้นไปใช้ให้ถือเสมือนว่าทุกเวลานาทีของเราคือ ก, การเรียนรู้อุตรเวลาและสิ่งเหล่านี้จจะเป็นกุญแจขายไปสู่สุดท้าด้วยปัญญาสุดท้าด้วยปัญญานี่เราก็คงข้องจำกันได้แล้วนะว่ามันมีอะไรบ้างการคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองนะ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 แต่อย่าท้ออย่ารู้ว่าตัวเองนี่ไรค่าเพราะค่าของคนเนี่ยค่างคนไม่ได้อยู่ที่ผลของการงานนะค่างคนอยู่ที่ความเพียรถึงแม้ผลของการงานจะไม่สำเร็จแต่ถ้าทำความเพียรในสิ่งที่ถูกต้องชอบทำอันนั้นก็เป็นก็ถือว่าเราได้คุ้มค่าสมควยกับ ก, การเกิดมาเป็นมนุษย์นะประการที่3เนี่ยคือคิ ถูกคิดเป็นคิดอย่างนี้ผลเป็นประโยชน์เตื้อกูลอันนี้สําคัญมากนะคนเราถ้าคิดคิดถูกคิดเป็นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะประสบความทุกข์แค่ไหนก็ยังมีความสุขได้นะคนพิการมีเด็กมีเด็คนนึงนะก็ไม่เด็กแล้วแกอายุยี่สิกว่านะแล้วแกเป็นโรคทรัสซินเมี ย, มย เ, นะเป็นโรคทรัสซินเมียคือโรคเลือดเป็นโรคเลือด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 เขาป่อให้เพื่อนผู้หญิงเนี่ยขนของพิธีกรก็เลยไปถามว่าคิดยังไงที่เพื่อนเขาทิ้งเราไปทิ้ ง, ท, งทิ้งงานที่เราทำแกก็บอกว่าก็เข้าใจเขาเพราะเขาอยากจะดูนะอยากเขาเป็นแฟนสมจิตพิธีกรก็ยังไม่พอใจคำตอบก็เลยจีดอีกว่าแล้วหนูไม่โกรธไม่คิดจะไปด่าว่าเขาเหรอที่เขาทิ้งงานให้หนูทาคนเดียวเธอตอบดีนะเธ อ, อตอบว่า